ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัญญาสัมปันโนเสนอตอนที่27อาลัยอาวรนสรุดสังเวชสุดประมาณของกลางและถูกตำหนิว่าไม่ช่วยงานศพหลงอูมั่นภูริคโตหลวงตามหาบัญญาสัมปันโน แด้ให้อวาตทำเอาไว้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าได้ลืมพุโทโธให้รำลึกภายในใจของเราได้ตลอดเวลายิ่งเป็นของดีมากคําว่าพุโทโธนี้คือองค์ศาสน า, า, า, า, าแต่ละองค์ละองค์มารวมสู่ในใจของเราดวงเดียวใจของเราเมื่อทรงพุโทโธไว้จะเป็นใจที่มีคุณค่ามากที่สุดในเวลาเช่นนั้นจึงต้องภาวนาพระสาวกสมัยพุทธกาล ที่เป็นสังขังสารนังคฉามิของพวกเราโดยมากท่านปฏิบัติกันตามสายความสันโดษและมักน้อยไม่กลัวความอดอยากขาดแคลนและความเป็นความตายยิ่งกว่ากลัวไม่รู้ไม่เห็นธรรมท่านกลัวไม่รู้ไม่เห็นธรรมท่านจึงพยายามทุ่มเทกําลังทุกส่วนลงทางความภาคความเพียรเพื่อรู้เพื่อเห็นท่านจึงได้รู้ได้เห็นธรรมะอย่างสมใจส่วนพวกเรากลัวแต่อดอยากขาดแคลน กลัวจะทรมานกลัวแต่จะตายอะไรขาดเลือบ้างไม่ได้ใจหดหูเหี่ยวแห้งไม่เป็นอันบำเพ็ญภาาเพียรได้ภายในใจจึงมีแต่กิเลสความกลัวตายเต็มไปหมดทำเลยอย่างลงไม่ได้เพราะกิเลสจีดขวางไม่มีทางซึมซาบได้ศา ส, สนาก็คือธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยมีอยู่กับทุกคนให้ตั้งใจปฏิบัติยาเลาะแหละเลาะแหละเล้วๆไหลๆให้หนักใจครูที่จะก้าวให้พ้นจากทุกข์ ไม่ใช่เลาะแหละเลาะแหละความเลาะแหละเลาะแหละเล้วไหลเลวไหลเป็นเรื่องของกิเลสทํางานบนหัวใจเราบนกายวาจาใจของเราไม่ใช่เรื่องธรรมความจริงความจังความมุ่งมั่นต่ออัดต่อธรรมความภาคความเพียรอันเป็นเรื่องที่จะชําระกิเลสเท่านั้นเป็นเรื่องของพระธรรม หลวงตามหาบัวยาสัมปันโนรือเล่าชีวประวัติของท่านในขณะที่หลวงปู่มั่นมรณภาพเอาไว้อย่างน่าฟังมากว่าเมื่อการมรณภาพของพ่อแม่ครูจารย์มั่นผ่านไปเข้าไปกราบเท้าท่านนั่งรำพึงรำพันปลงความสลดสังเวชน้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าท่านเกือบสองชั่วโมงพร้อมทั้งพิจารณาธรรมในใจตนกับโอวาท ที่ท่านให้ด้วยความเมตตาอุตสาห์สั่งสอนเรามาเป็นเวลาแปดปีที่อาศัยอยู่กับองค์ท่านการอยู่กันเป็นเวลานานถึงเพียงนี้แม้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่งหรือลูกๆผู้เป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ด้วยกันก็จะต้องมีข้อข้องใจต่อกันเป็นบางการแต่ท่านกับสิทธิ์ที่มาพึ่งร่องเราของท่านเป็นเวลานานถึงเพียงนี้ไม่เคยมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นยิ่งอยู่นาน ก็ยิ่งเป็นที่เคารพรักและความน่าเรื่อมใสาหาประมาณไม่ได้ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนั้นอณิจจาวัตสังขาราเรือนร่างของท่านนอนสงบนิ่งอยู่ด้วยความสงบอันน่าเลื่อมใสและอาลัยยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสละแทนได้ด้วยความรักในองค์ท่านเรือนร่างของเราที่นั่งสงบกายแต่ใจหวั่นไหวอ ย, อยู่ด้วยความหมดหวัง และหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไปทั้งสองเรือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรมคืออ น, นิจจาอันเดียวกันตางก็เดินตามหลักธรรมคืออุปจิตตวาในรุจันติเกิดแล้วก็ต้องตายจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ส่วนท่านเดินแยกทางสมมติทั้งหลายไปตามบทธรรมที่ว่าเรสังบูปัสโมสุโ ข, ขท่านตายในชาติที่นอนสงบ ให้สิทธิ์ทั้งหลายโปร่งสังเวชช่วงขณะเท่านั้นต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ําตาของลูกศิษย์ทั้งหลายเหมือนสมมติทั่วๆไปเพราะจิตของท่านที่ขาดจากพพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาดออกจากกันคนละชิ้นจะต่อให้ติดกันสนิทอีกไม่ได้เช่นั้นได้นั่งรำพึงรำพันอยู่ด้วยความหมดหวังบัดนี้เราจะไปปวดเปลื้องปัญหาในใจกับใครและใคร จะมาปวดเลื่องปัญหาของเราให้สิ้นซากไปได้เหมือนอย่างเพราะแม่ครูจา์มั่นไม่มีอีกแล้วเป็นกับตายก็มีเราคนเดียวเท่านั้นเราจึงกลายเป็นสัตว์ป่าเพราะหมดยาดรักษาโรคภายในเมื่อนางอะไรอาวรถึงท่านด้วยความเคารพรักและเลื่อมใสพร้อมทั้งหมดความหวังในท่านก็ได้อุบายต่างๆขึ้นมาในขณะนั้นว่าวิธีการสั่งสอนของท่านเวลามีชีวิตอยู่ท่านสั่งสอนอย่างไร ต้องจับเงื่อนนั้นแลมาเป็นครูสอนและท่านพระอาจารย์มั่นเคยย้ำเอาไว้ว่าอย่างไรยานิจากรากฐานคือผู้รู้ภายในใจเมื่อจิดมีความรู้แปลกๆซึ่งจะเกิดความเสียหายถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรู้ประเภทนั้นได้ให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสียอย่างไรก็จะไม่เสียหายท่านสอนอย่างนี้ก็จับเงื่อนนั้นมาปฏิบัติไว แล้วนำไปปฏิบัติต่อตอนเองจนเต็มความสามารถความจะเป็นผู้ใหญ่ย่อมมาจากผู้น้อยอย่างเราเห็นกันอยู่ทุกท่านและต่างจะได้ผ่านไปเช่นเดียวกันความยากลําบากมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องผ่านทางสายนี้ด้วยกันจะต้องผ่านทางลาบากซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมไกล ไม่เคยเป็นเศรษฐีมาด้วยความเกียจคร้านนอนอยู่เฉยๆต้องเป็นขึ้นเพราะความขยันซึ่งจะต้องยึดความลำบากเป็นเส้นทางเดินเพราะความลำบากเพื่อผลที่มุ่งหวังโดยถูกต้องเป็นทางเดินของคนฉลาดและมั่งคั่งเดินกันเป็นประจำแม้ทางธรรมก็ทราบว่าความลำบากเป็นทางเดินของนักปราชุุกชั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นในบทธรรมก็มีรับรองไว้ว่า ทุกขสานันตรังสุขขังคนมีสุขเพราะยึดความลำบากเป็นทางเดินทางทุกข์ก็มีบทธรรมอ้างไว้ว่าสุก ข, ขสานันตรังทุกขังคนมีทุกข์เพราะยึดสุขเป็นทางเดินผู้มีความขยันเหมือนเพียรไม่ถือลำบากเป็นอุปสรรคฝึกหัดคิดค้นในสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่รอบตัวไม่หยุดยัง้งผู้นั้นก็จะเป็นคนประเภทที่สามเรียกว่า ประเภทที่ไม่ขอเกิดในโลกนี้อีกจะ ก, กลายเป็นคนประเภทเตสังวูปัสมโมสุโ ข, ขความระงับดับเชื้อแห่งความเกิดเป็นสังขารทุกประเภทเป็นความสุขปราศจากโลกามิตรสิ่งก่อกวนและเป็นความสุขที่สมหวังโดยแท้จริงฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงตรหนักในคนทั้งสามประเภทนี้แล้วเลือกเป้นเอาเองว่าคนประเภทไหน ที่เป็นประเภทยเยี่ยมอยู่ในตัวของเราหน้าบัดนี้เพราะเราได้ทำด้วยกันทุกคนโดยไม่ต้องกลัวตายเพราะความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกไปตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพชชฆาตจะรอค้าหรือตัดศีรษะผู้ภาคเพียรในทางที่ดีจงเป็นผู้อาหารต่อการปลดเปลื้องตนจากเครื่องผูกพันเพราะเกิดกับตายท่านบอกว่าเป็นกองทุกโดยตรง เหล่มตามหาบัญยสัมปันโนเดล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเมื่อไดอารัธนาศพพ่อแม่ครูจารมั่นไว้ที่วัดป่าสุทาวาดเรียบร้อยแล้วเราก็หนีไปภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาหนีพระติดตามองค์หนึ่งตามธรรมดาเราไปคนเดียวแล้วพระองค์นั้นไล่อย่างไรก็ไม่กลับเลยติดตามไปจนได้เราก็ไล่ไปอยู่นู้นไม่ให้เห็นกันเลยอยู่คลทิศเราก็อยู่ทางนี้ พระองค์นั้นก็อยู่ทางโน้นพอดีอันนี้เป็นเขื่อนลําน้ําอุ่นอยู่นี่นะนี่มันอยู่ข้างๆที่เราพักนะที่เราพักนั้นก็เหมาะดีภาษาอีสานเรียกว่าไม้บงไม้ไผ่บงอุย้ยร่มเย็นเราก็เดินจงกรมอยู่ตรงนี้สบายทีนี้เขาก็มาทอดแหตรงที่มันเป็นคูน้ําเราเห็นเขาทอดแหเสียงอึ ก, กทึกครึกโครมเราก็หนีไปอยู่ในป่าลึกๆ เราไปเดินจงกรมอยู่โน่นจนกระทั่งมืดเราถึงมาอันนี้เรื่องถึงบทมันนะไอเนนนั่นจําชื่อมันได้จนกระทั่งบันนี้ชื่อเนนแปลงมาจากบ้านน้องโดกเนนแปลงมันมีผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งมันอยากเข้าไปวาดป่าน้องบัวก็เดินผ่านป่าของเราที่พักอยู่ที่นั่นไปเวลาไปเนนแปลงมันไปนเผลออย่างไรก็ไม่ทราบพ้าที่ผานบ่ามาตรงนี้ตกหล่นลงข้างทาง ที่ชาวบ้านเขาขึ้นมาจากห้วยอูนขากลับมาเนรไม่เห็นผ้าจึงพูดให้พระฟังว่าโอ๊ยผ้าผมหายพูดกับพระองค์ที่มากับเราฟังทีนี้พวกที่เขาตกปลาเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเห็นผ้านี้ตกอยู่ผู้เห็นทีแรกนั้นไม่ได้ว่าแผ่ปลาละ่ะบอกครูบาวัดนี้ทําผ้าตกจึงเอาผ้าไปพาดไว้พอผู้มาทีหลังจึงเห็นว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าพระแผลปลาก็หมายถึงพระขอบินทบาตปลา เขาจึงร้อยปลาเป็นพวงแล้วก็แขวนไว้ข้างๆร้านที่เราพักให้เราไม่รู้เรื่องเราอยู่ในป่านู่นนี่สิที่ว่าเหตุผลมันถูกมัดใช่ไหมละ่ะมันหากเป็นของมันเองอย่างนี้แหละทีนี้พอตอนเช้าเราเออกวิญญาลกลับมาชาวบ้านเขามาคอยอยู่แล้วเขาก็ร้อยปลามานี่เป็นครูบาองค์ที่ไปแผ่ปลาเขาเมื่อวานใช่ไหมโยมทําไมว่าอย่างนั้นเราก็ว่าอย่างนี้ ก็เห็นเอาผ้าเหลืองผืนหนึ่งผ้าดไว้เขาร้อยปลาแล้วก็แขวนไว้ตรงจุดเดียวกันนั้นแล้วกันยังไงกันนี่ไหนไปเรียกพระองค์นั้นมาดูสิก็เรียกพระอีกองค์นั้นมามาก็ถามท่านหรือเปล่าไปแผ่ปลาเขาเมื่อวานนี้เราก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแผ่ตอนไหนอา้าวไม่ได้แผ่พระองค์นั้นก็งงอีกเหมือนกันนั่นแหละไม่แผ่จะเป็นใครมันก็มีเราสองคนเท่านั้นในป่านี้ต้องจับเราสองคนเท่านี้นี่เห็นไหม เหตุผลของกลางมันมัดแล้วใช่ไหละ่ะมันก็มีเราสองคนนี่พระที่ไหนจะมาอยู่ที่นี่เราสองคนเท่านั้นจะติดคุกติดตารางแล้วกระซักพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็น่าเสียซีดหมดพองงงไปงงมาเลยระลึกได้อ๋อเมื่อวานนี้เนนแปลงมันมานี่บอกว่าผ้าหายผ้าหายไม่ทราบว่าหายตรงไหนถ้างั้นอาจจะใช่ไหนมาดูผ้าดีกว่าเอาผ้ามาดู พอเริ่มหัวเราะกันได้บ้างละทีนี้นะเพราะมีช่องทางออกได้แล้วนี่ให้ตามไปหาเนนแปลงบ้านน้องโดกนะให้โยมนี้ไปไปถามว่าผ้านี้เป็นผ้าของเนนแปลงจริงไหมพอเนนเห็นเนนก็หัวเราะแยกๆแล้วก็โอ้ยใช่แล้วผ้าของผมเองเนนหัวเราะลั่นโอ๊ยผ้านารกผ้าเอเวจีผ้าเทวทัตมันเป็นทำลายเราอยู่ในป่าเอาไปเผาไฟนะผ้านี้มันไม่ได้เป็นมงคลแล้วผ้านี้ เราก็บอกอย่างนั้นนั่นเห็นไหมนั่นเรายกตัวอย่างพูดขึ้นว่าของกลางชี้ไม่ล่านี่แหละคนติดคุกติดตารางจึงไม่ใช่คนชั่วทุกคนนะมันมีโดยบังเอิญนะของกลางบางทีก็หาเรื่องหาราวใส่ก็มีดีๆอยู่ติดคุกได้นะคนเราเราจะไปว่าคนติดคุกติดตารางจะเป็นคนชั่วไปทั้งหมดนะ่ะไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นทั้งหมดนะจบลงเท่านั้นแหละเรื่องนิทานของกลาง เป็นอย่างนั้นมันขบขันดีพวกที่ไม่มีเกตนาก็ไม่อยู่นะในเรือนจําไม่ใช่เป็นคนผิดทุกคนนะคนไม่ผิดไปติดคุกก็ยังมีอยู่เยอะนะไม่ใช่เล่นนะแล้วแต่เรื่องมันจะพาดพิงเกี่ยวข้องไปยังไงยังไงสมกับเหตุกับผลตลอดถึงหลักฐานพยานของการอะไรถึงเจ้าของไม่มีก็ตามมันก็เป็นไปได้ หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหลือเล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าในระยะที่พ่อแม่ครูจารย์มั่นป่วยมรณภาพลงจนกระทั่งถวายเพลิงศพท่านนั้นเราไม่มีเวลาเลยกิตนี้มันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่กับใครไม่ได้ศพท่านเอาไว้ที่วัดป่าสุทาวาสเรามากราบกราบปับป๊บๆแล้วไปเลยเช้าไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวทางภูพานกิจเวลามันก้าวของมัน ก้าไม่มีวันไม่มีคืนซัดเข้าไปจนสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วหมุนติ้วหมุนติ้วจากนั้นก็เข้ามหาสติมหาปัญญายิ่งหมุนยิ่งละเอียดยิ่งซึมซาบที่ชัดเจนก็คือว่าอยู่กับใครไม่ได้ในเวลาเช่นนั้นต้องอยู่คนเดียวกับอารมณ์แห่งธรรมกับกิเลสฟาดกันอยู่บนหัวใจเท่านั้นใครมายุ่งไม่ได้มางานถวายเพลิงศพพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอยู่ได้เพียงสี่วัน พอเผาศกท่านเสร็จแล้วเปิดเลยจนครูบาอาจารย์บางองค์ก็ว่าเอาเหมือนกันนะแต่เราไม่สนใจเพราะท่านไม่รู้เรื่องของเราท่านว่าท่านมหาบัวเวลาท่านพระอาจารย์มั่นมีชีวิตอยู่เหมือนเงาเทียมตัวพอท่านพระอาจารย์มัน่นมรณภาพไปแล้วหายเงียบไปเลยไม่มามองดูครูบาอาจารย์บ้างเลยท่านว่าอย่างนั้นก็มีอันนั้นก็ภูมิจิตของท่านเป็นอย่างนั้นบอกภูมิแล้วนั่นมันบ่งบอกแล้วว่าผู้ตมิเราอย่างนั้น มีภูมิจิตใจเป็นยังไงมันบอกในตัวพอเผาศพท่านได้สีวันขึ้นเขาดอยธรรมเจดีลงจากนั้นก็เปิดลงอำเภอบ้านผือเข้าศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย